ท้าพระวัตรธรรมพรวตรตังท้รวตรติมัตตาธรรมปริยัตตาอัตโตหาญาตมันเตตตจโตุิะโอกาจะได้ปัญญาธรรมะ เป็นการสอนสองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องระดับสติปัญญาสองท่านผู้สนใจในธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติบางเอื่นท่านทั้งหลายข อ, อ, อ, อร้องร้อนต่อพระพุทธเจ้าและธรรมปรสงค์ด้วยความอารวจเรามาฟังธรรมกัน แม้แต่ผู้แสดงฟังก็ต้องคาระวะต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมระตงผู้ฟังนนก็ต้องแสดงความคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมระสงฆ์ทางนี้ก็เปิดเป็นการน้อมเสีน้นอมใจหลังเล่นถึงตัวตนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธจเจ้าเพื่อจะประากฏในคามรู้สึกของผู้มีธรรม ความรู้สึกซ้ำเลิกขีดทอดทั่วดีที่มีอยู่ในติดของท่านนั่นคือคุณของพระพุทธญาณการทันติตทันใจให้มีการเพ่งทำยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมคุณของพระธรรมปีติยาที่มีสติสังวรระวังตั้งใจแต่ละทั่วประเพืบปานดีทันจิตให้บริสุทธิ์สาทกานคุยปิติยาแห่งความมีประโยช์ในจิตในใจ บัดนี้เราท่านทั้งหลายมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งงอยู่ในติตในใจของเราแล้วเราจะได้น้อมติดน้อมใจเพื่อจะฟังธรรมการฟังธรรมควรจะได้ฟังติดติต ใ, ใจของตัวเองเพื่อฐ า, านแห่งการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรากันจริงๆอาศัยกายปัใจเป็นหลักก็ทำมาทำนี้ทำนั้นที่ทบรรทุกไว้ในคัมที่์พระไตรปิฎกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาปัจจัยทางนั้นตร่างกที่ตายปัจจัยยังมีความจำพันกันอยู่รู้กันอยู่ ตามขอย่อมตากฏในความรู้ของเราเมื่อตายจัดใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความรู้สึกในใจ ค, ความเคลื่อนไหวไปมาก็ย่อมปรากฏอาหาตายจัดใจแยกออกจากกันเมื่ อ, อไรตายก็จะต้องอาตายก็จะต้องนอนแต่หนึ่งทำอะไรไม่ได้ ใจใจที่เราอาิแยกออกจากายตอนนัก็มีสภาว่าเราปราบอดอยู่เกิเกินทำอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นแต่เมื่อสองอย่างมาสัมผัสกันเข้าเมื่อใดความเคลื่อนไหวในเรื่องความคิดและการกระทำย่อมจาเกขึ้นเมื่อนั้นดังนั้นถ้าหากสมมติว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรม เอาการเสี่ยงแค่ว่ามากำหนดติดทำปฏิรู้ไว้ที่จิตของเราเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลือกคิดอะไรทั้งสิ้นเป็นเด็กยงทำจิตให้ว่างอยู่ทั่วขนาดเลยโดยเรามาทำการรู้สึกไว้ในใจว่าดูที่จิตของคนเราจะว่างตลอดทานได้หรือไม่ เข้าใจว่าเดไม่มีโอกาสที่จะว่างได้เมือ่อเดไม่มีโอกาสที่ว่างได้เธอเขาไม่จุดเิีนนั่นเองบางทีถ้าความเิีนของเราไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้ทันความเทียนก็ปลายเป็นงวามปุมสัตวแต่ถ้าหากว่าความเทีนในขณะที่มีสติตามรู้ทัน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 เราควรจะได้ทําจิตของเราให้มีสิ่งรู้ทำสติของเราให้มีสิ่งระงลึกพระอาจารย์ใหญ่แห่งธรรมสถานภาคตะวันออกเสียงเหนือเคอพระอาจารย์เสาก็ได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของเรามันไม่เคยหุดคิดมีแต่ความคิดตลอดเวลาโลกเตโชขาอยู่ในสนัมนาผู้รู้เท่าไม่ถึงตา ก็เข้าใจว่าอาการย์เสริมไปแล้วเสือจแล้วถ้านในจังหวะนั้นก็แปลว่าจะปล่อยให้จิตมันวว้ให้มันมีงานทำอยู่ตลอดเวลาการนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จุดสําคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องทาำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึก อันี้เป็นหลักการภาวนาตามแบบของพระสรรมสัมพุทธเจ้าการภาวนาตามแบบของนักปิดศาสนาเราหม่งที่จะทําจิตให้ว่างท่านเตให้สงบทําจิตให้ละเอียดจนได้บรรลุสมาบัติแบบแต่ความจริงหลักของการทำสมาธินี้เป็นหลักฐานคนทั่วไป ไม่เฉพาะกรณีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนสมาธิในสำนักอุตตกาดาบทและอารานณาบทเรียนาจนกระทั่งจบหลักปู่ต่ออาจารย์ทั้งสองอุตตกาดาบทอาราณาบทเก่งในการทางในทางการสมาธิเพื่อเข้าทางสมาบัติ เคยทันเจ้าท่านรู้ทางที่หนึ่งสองสา่ายาาอาตาสันมดาสาัญจายลตนาวิญญาสรัญจายลตนาอจิจัญญาเลตนาเอวะสัญญาลาสัญญายลตนะจนได้บรรลุสมาบัติแต่ในทันทีท่านกล่าวว่าเอติในอันดับสมาบัติท่านที่แส เป็นสภาพจิตที่ตรบนิ่งว่าเป็นจิตที่ละเอียดจะว่ามีสัญญาเพราะไม่ใช่จะว่าให้มีปัญจาก็ไม่ใช่ปฏิเสธแลรับรองไม่ได้รับร่าท่า น, นจึงบัญญัติทางพระพันนี้ว่าในวันสัญญาทาสัญญาจะตนันเมื่อท่นานโภ b ันเป็นจิตไปถึงทางท่านนี้ฝวาเข้าใจของท่านโภนั้นะ ก็เข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วหรือสำเร็จนิพพานแล้วแต่ถ้าที่จริงนั้นไม่ใช่เรื่องการสำเร็จนิพพานรลองปู่ฤาษีเข้าไปสำคัญเอาไปเพียงว่าจิตมีความบริสุทธิ์สะาเฉพาะในเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอ แต่เม่อออกจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วจิตจะรับรู้อารมณ์มีความกิตลีกิร้ายมีอาการของสิเดกเกิดเพื่อใส้ตัดสัต์โดยเขาคิดว่าเวลาจวดใกล้จะตายเขาเร่งกำหดจิตเข้าสมาธิและก็ได้สำเร็จได้ผ่านไปเลยการมีพุทธบริัตรทางท้านมีความเข้าใจกิัน เข้าใจว่ า, าการจัดปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุปณิพาน์เป็นของอันในสองไปบความเด่นในปัจจุบันนี้ก็ได้เรารู้หลักการแล้วส่วนตัวจะตายก็กําหนดจิตเข้าถูกะนิพานไปเลยค ว, วามคิดและความรู้สึก น, นี้เป็นความเข้าใจจิตจะเป็นการตู้ถูกถึปณิพานธ์ว่าเป็นของอัยจนเกิดไปความจริงเขาก็เข้าใจว่าเป็นของอาน ราศีพานตามคาเข้าใจของเขาไม่ตรงกันกันขบของต้เดชพระสมบาร์สำคูเจดียราภุญเจดนั้นตอนอสืนท่านกอไปเรียนสมาธิใจสำคัญของอาจารย์ท่านสองนันที่กล่าวมาและสามารถที่จะทำให้สามารถทำจริงให้ได้ทานสมาบัต มีความเข้าอ น, นีความสามารถเข้าออกทานได้ท่องเท้วงไว้ยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สังง่งสอนจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองไม่มีปัญญาสักอนท่านชายสิทธาถากต่อไปอีกแล้วเป็นอันว่า จ, จนปัญญารอบพรมของท่านเหล่านั้นเสื่นสุสกการเสียงแค่นั้น แต่ดอนวิสัยของพุทธภูมิย่อมเป็นส่งเป็นผู้มีพระปัญญาปีาชาเฉลียวฉลาดละอองไม่ได้จิตแต่ควาสมาสงบหรือความบริสุทธิ์สอาดแห่งจิตภายในสมาธิพันละเอียดเมื่ออากาศสมาธิพันธะเหียดมาแล้วมาประสบอารมณ์ที่รู้ในตามหมูสมูปเป็นตายในใจอาการของกิเลสเกิดปานจิต้นสิ้รลายก็ะจ่งปรากจสูต พระงองค์เองสนิษฐานพระงองค์เองว่าเรายังไม่สําเร็จไม่สาเร็จพระอรหันต์หรือไม่สําเร็จพระนิพพานไม่สำเร็จคามเป็นสัมาจารมุเสจจันดังนั้นพระงองค์จึงหว น, นมาต้นปัญพิจารณาโดยที่ปัญยาทำสมาธิการหลักเกณฑ์การทำจิตให้มีจิ่งรู้ทำประเด็นให้มีสิ่งละลึ แต่อาใยสมาทิฏฐิบำเป็นมาจากสำนักเือดสีทั้งสองตรนั้นเหมือนกันเป็ น, ปนพื้นฐานพระนั้นในว่ า, ารสมมาสมพุทธเจาา้าได้ตรัสรูเป็นพระสัมาสมพุทธเจ้าเป็นปาสดาเอกในโลกเมื่อพออะระองค์เผยแจ้งพุทธศาสนาด้วยประกาศธรรมะ ก็อาศัยหลักการทำสมาธิที่ได้ดาเนินมาทั้งในอำนาจของอาราลดาบทแลกที่พระองค์ทร ง, รงตรง้นฟ้าโดยพระองค์เองเป็นหลัแกแห่งการปฏิบัติเลยในวัฏจักรการศาสนาตั้งศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกแล้วเองปราบโธเทศยอดแห่งสมาธิอยู่เป็นสองสัาห เรียกว่าทานทานเข้าสมาธิแบบโลสีเป็นการเข้าทานหดือยกันแต่ทานสองโลสีเป็นทานที่มีจิตได้รู้ใจสิ่งสิ่งเดียวถ้าจิตสงบเพ่งลงไปแล้วได้มีสิ่งรู้จิตก็รู้อยู่เพียงในจิ่ถ้าหากว่าจิตแฝงสิ่งได้ก็เกิดอกเกิดก็เกออถ้าทานนี้ไม่ติดตาจิตก็รู้อยู่ในสิ่งสิงเดียว และไม่มีอาการแห่งความรู้ที่จะเพียนแปลงโล้สิกใดจะโลภอยู่เพียงสิ่งนั้นเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมโนปนิพานธเป็นทานควบดูรีในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเคยแต่ทางของพระพุทธเจ้านี้หมายถึงอารัมมโนปนิพานธ์อันนหีหมายถึงรัโนูปนิพาน ทานที่มีจิตสมบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิแมะจะอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิก็ตา ม, า ม, า ข, า ม, ม, ม, มขั้นปนาสมาธิก็ตามจิตก็มีความรู้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมีความรู้ใ้ขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรแล้วมีตัวข้อขัญญัแต่รู้แทนรู้พลาดนี้จิตก็รู้ว่า โลภาษิมิสะจะมีสมบัติปัญญาเทพภาพนี้คันว่าเป็นอะไรเป็นเทวดายินสมยมยัตประการใดจิตจำเรียกคือสิ่งหลัาสิ่งนั้นๆั้นใแม่เดชิจรร า, ารู้ภายในกายของตนเองเช้นอาการขาดจิตสองจิก็ยังเรียกว่าผมผลเด้ปันญญ์แม่เดชิจรราภาพกรรมฐาน ก็สามารถที่จะรู้ดินน้ำลงไปโดยสมมติปัญญาอันนี้เป็นเพื้นฐานการรู้ในขั้นอุปจาระสมาธิรู้อตไรขึ้นมาแล้วก็มีสมาติปัญญาที่จะต้องเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเจตมโบละเอียดเยี่ยงลงไปกว่านั้นจนกระทั่งถึงขั้นภาภาพัฒนาสมาธิเิ็มก็ยัมีสิ่งรู้ปรากฏอู่มือนกัน แต่การรูในปัจนนี้จิตรู้อะไรแล้วจะรู้อยู่เฉยดไม่มีสมมตปัญญาภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรเช่นมองเห็ น, นอาทิตยเป็นกระดูกจิตก็ไม่เรียกว่ากระดูกจะรู้อยู่เฉยๆเมื่อมองเห็นว่ากระดูกในบางเปลี่ยนแปลงเกิดสลายตัวจิตจะรู้อยู่เฉยๆไม่รีงตามอาการแห่นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ แม้จะรู้เห็นริงใดก็ตามจิตจะเพียงแต่รู้อยู่ในตัวไม้สมวัตปัญญาสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรแต่จิตจะมีความโลภารส้ขึ้นในขาดสัญจิเจตก็เพียงแต่กำหนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ภาวนาไม้มีสัญญาเจตนาใดๆจะไปเกื้อหุนจิตอยู่ในภาวะแห่งคาสเปเองโดยธรรมชาต โดยไอาศัยพลังที่เกิดจากการอบ ร, รมสึกสมาธิปัญญาให้บริสุทธ์สาลายเป็นอธิสิอธิจิตอธิปัญญาเมื่อจิตของเรามีอธิสิตอธิจิตอธิปัญญ า, าจะมีสภ า, าวะรวมพลังลมเป็นหนึ่งเรียกว่าเทปารโนโมัตโสเดงที่าบบทราโดเด็นชัดโดยในจิตของพวกเป็นเท็นรัตนก็คือสติที่นา่าด ปติที่ลาโยตัวนี้จะเป็นมีลักษณะพวกคุมดูแลและจดองดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาประการตัดแต่วรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้คือลักษณะของฌานที่เระพุทธเจ้าได้บรรลุและได้นำมาตั้งสอนพวกเรา ส่วนนักปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าเหตุอยู่ในขั้นอันปนาสมาธิหรือในขั้นสมาธิสมาธิเจตจะไม่มีความรู้จะไม่มีปัญญาแต่ความจริงนี้ได้เห็นแน่น้นการปฏิบัติทั้งสายพระพุทธเจ้าทั้งสายของศาสานาสามก็อาศัยหลัก ส, สมาธิสมาธิเปิดตั้ง แต่ในศาสนาพรามเขาไม่เล่นีปัสสนาโม่งสัาว์ที่จะทำจิตให้สงบและเียนได้บรรลุทางสมบาบัติเป็นพอแล้วแล้ววัตรุประสงค์เข้าการบำเพ็ญในศาสนาพราหมณโม่งสู่อิจิเลสเพื่อจะให้มีอิธิเิ์ของเหอเนอนเดินอากาัดเกิดอาปิยารูกแก้แจ้เห็นจิตเห็นริงในสิงต่างซึ่งเป็นเรื่องของโลกียธรรมไม่ใช่เรื่องของโลกุตตะ ใครที่สามารถกำหนดรูปาราจิตของคนอื่นไดน้ความรู้อันนี้เรียกว่าอาัจฉริยใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่ข้อตอยู่ในที่ได้รับเส้ตนตาลมนุษยธรรมดาของไม่เห็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าอาัจฉริยะพวนการะนาามทั้งหลายเขาบจำเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดอัจฉริยะการที่กล่าวมาเรื่องนี้ แต่สมาธิในสายของพระพุทธเจ้าความเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนาเพื่อจะได้นำสติที่พาพของพลังงานคือสติบมปัญญาการแก้ไขปัญหาจิตวิปัสสนาวัดแก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลสและอารมณ์ของตนเองได้อันนี้จะเป็นฐางเป็นสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้า ในเมื่อเราทำกาประมวลหลักแห่ ง, างการปฏิบัติโดยว้ัว่ๆไปให้สรุปลงเป็นหลักการที่ยอ่อละเข้าใจง่ายที่สุดเราจะบำหน ด, ดหมายได้เพียงสามหลักเท่านั้นจุดเดินของการนับเป็นสมาธิหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิ ขอได้โลงทันสติกําณฑดตามรูปการดินเดินนั่งนอนรับท า, ทดทด า, า, ายยนดุจธรรมผู้คิดผู้ลมหายใจการตัณฑ์สถิตามรู้การเดินนั่งนอนเเดินนั่งนอนรับทานดุจธรรมผู้คิดผู้ลมหายใจเป็นอุบายเปิดขาดจิตให้มีสติสลำพันธ์ยั้งให้เกิดการสำรวระวางตัณฑ์ที่ไหนําณฑ์ที่ตามหูสมุขทิในกายดวใจ ได้ตัรว ม, รวมจิตตั้มรวจใจตั้มรวมในสิ่งทัง้งปวงเพื่อสกัดกั้นกิเลสในอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าหาว่าท่านผู้ใดพยา ย, ยามดันเดินปฏิบัติการเแบบที่ว่าทำปฏิกิริยาโนการยืนเดินร่างนอนรับทานถึงความโกรธที่รวบรวมหายใจในเมื่อท่านเกอดขาดจนกล้องตัวแดง ท่านจะปราบลักษณะอันหนึ่งในความรู้สึกภายในจิตของท่านเพืาะว่าเมื่อท่านจะข้าบยางไปที่ไหนทําอะไรแม้การทําการพูดกันคิดปฏิของท่านจะตามรู้สึกดังนั้นโดยอัศโลมัที่แรกท่านอาจจะควบคุมการเดินทำปฏิตามรู้สึกดังกล่าวด้วยความลาบากยากเหน็ด แต่เมื่อท่านพยายามฝึกอดบ่อยๆเข้าทำให้ต้องตัวทําให้ทำนิทำนานโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งโลภร่างกามีสิ่งละลึกพลังของสมาธิย่อมเพิ่มขึ้นทุกทีพลังของสติย่อมแข็งแกร่งขึ้นทุกทีโดยมาจิตมีความมัน่นคงต่อการที่จะกาหนดอาการดังกล่าวหรือสติมีสติที่พร้อมพอที่จะควบคุมตามกําหนดดังนั้นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าถ้านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดปติของท่านจะตามรู้อาการแม้แต่ความรู้สึกและคิดปฏิก็จะทำหน้าที่ของต้องไปเองโดยอัตโนมัติการฝึกหัดสมาธิแบบนี้ท่านจะไปพบอุปสรรคใดมาตัดความการปฏิบัติเพียงแต่ท่านกำหนดจิตท่านปฏิรู้ไว้จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อท่านก้าวไป ท่านก็ไปจำเป็นแต่ต้องไปดกวยความ้ามท่านเล้าเดินท่านย่อมรู้ว่าจิตเป็นผู้ตั้ท่านจะดุเจ็บเขาย่อรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตั้ท่านจะร้อนย่อมรู้จะนั่งย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตั้งอ่ละท่านเดินทำผู้คิดย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็ น, น liters, ผู้ตั้ เราจะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จแล้วทิโโ้ติติโมโขภังสมามะมามโมเษถามโนโปัญญาท่านทั้งหล า, า, า, ายมีใจเป็นผู้ตึงกอดมีใจเป็นโผลนั่งสำเร็จแล้วแต่ใจเราจะนัน่งภายในร่างกายของเราที่ใจเป็นใหญ่ปานเคลื่อนไหวแต่ละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บานติใจเป็นผู้ปกครองธนั้น เลี้ยงบรรดาปฏิบัติมาทำปติกำหนดรูไ้ไม่ตีใจเพียงอย่างเดียวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ตายใจเขาย่อมรู้เพราะกายจิตใจยังมีงความสัมพันธ์กันอยู่ใจยอมรู้เรื่องของตายแม้ในขณะนี้ท่านนั่งหลับตาอยู่ลมพัดมาต้องตายของท่านท่านก็รู้รู้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ติ่นตากัน ถ้าหากเคยมาแรงมาเกาะผิวหลังของท่านท่านก็รู้โรคเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ตั้งใจทําไม่เป็นเช่นนั้นกายจัตใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อกายจิตใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นที่กายใจเขาย่อมรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติทำตัณโนทิทำปฏิรู่ไหวปฏิเกี่ยงอย่างเดียวกท่นั้น เราก็จะสามารถรู้การเปลี่ยนแปลงของกายรู้การเปลี่ยนแปงของปัจจุันเช่นอย่างสมมติว่าท่านจะตํางหนุนิตคอยเจ้าปัจจุบันคิดที่จะเกิดเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอะไรเกิดขึ้นท่านทันสติรู้เมื่อท่านทันสติรู้คามคิดจะหยุดร่างบุกเบี้ยงนิดหนึ่งก็เกิดตัวแล้วความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทันสติรู้ไปลำดับสลำดับไป จนกระทั่งพลังสองสติของขั้นมีพลังแก่กล้าขึ้นสติในความคิดเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในเมื่อจิตมีความคิดสติจะทําหน้าที่ตามรู้ในขณะที่จิตของท่า น, นมีความคิดแต่สติทําหน้าที่ตามรูอยู่นั้นในเมื่อทั้งจิตทั้งสติทั้งพลังของสมาธิพลังสติทั้งปัญญามีความแก่กล้าขึ้น เจนของ่นจะสามารถการดรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที like yep. ่เกิดจากจุดตัดจิตเมื่อเจนมีความสำคั์มั่นหมายดูดูที่ความเกิดดับเจนก็ย่รู้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดดับของความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเจนของท่านก็เกิดอนิจจปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ความชั่วเพียงของความคิต แล้วเศษของท่านก็จะต้าวขึ้นสู่ภูง์แ่นวิบัติชลาเองโดยอัตโนมัติ